วันหนึ่งเจ๊เปียกกับสามีได้มากราบเยี่ยมท่านพระครูที่วัดป่ามะม่วงหลังจากทักทายปราัยกันตามธรรมเนียมแล้วสตรีวัยสี่สิจึงพูดขึ้นว่าลุงนะฉันอยากไปดูโบสถ์เห็นขําวว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคงเก่าแก่น่าดูฉันไม่รู้เป็นอย่างไรใจมันชอบที่จะดูของเก่าแล้วก็ชอบซื้อ แต่หลังจากที่ซื้อพระพุทธรูปองนั้นเป็นเหตุให้ฉันกับเฮียต้องทะเลาะกันทุกวันเลยทำให้เลิกซื้อของเก่าแต่ก็ยังชอบดูหล่อนอรมพร บ, บทค่อนข้างยาวสแสดงว่าเจ๊เป็นคนเก่าคนแก่มาเกิดเอพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะพานกโกรธที่อาตมาว่าเป็นคนแก่เรียกว่าคนโบราณดีกว่า เจคคงเป็นคนโบราณมาเกิดหรือเท่าแกว่าอย่างไรท่านถามเท่าแกร้านทองอาจเป็นไปได้ครับหลวงนะผมสังเกตดูรู้สึกว่าเขาชอบแต่ของเก่าๆแล้วก็ดูเก่งด้วยเก่าแท้เก่าเทียมเขาบอกได้หมดจริงจ้าหลวงนะอย่างครั้งหนึ่งเคยมีคนเอาพระเครื่องมาเสนอขายให้ฉันบอกว่าเป็นพระเก่าอายุหลายร้อยปีทันมองแผบเดียว ก็รู้ว่าเขาตกตาฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมถึงรู้แล้วก็ไม่เคยพลาดเลยรับรองว่าไม่มีใครมาหลอกฉันได้พูดแล้วจะหาว่าคุยเฮียไปดูโบทเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิหล่อนชวนสามีเท่าแก่จึงขออนุญาตท่านพระครูแล้วพากันลุกออกไปพักใหญ่ๆก็พากันกลับเข้ามาที่กุฏิท่านพระครูยังคงนั่งอยู่ที่เดิม พระรู้ว่าสองสามีพัญยาจะไปพบอะไรเป็นอย่างไรบ้างโบสถ์วัดนี้เก่าแท้หรือเก่าเทียมท่านพระครูถามเก่าขนานแท้เลยจักหลวงนารู้สึกว่าคนสร้างจะเป็นคนจีนและที่สำคัญก็คือฉันเห็นน้ำซึมออกมาจากพื้นโบสถ์ขังอยู่ในหลุมเล็กๆ เ, เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มาก คนจีนก็ถือว่าเป็นนิมิตดีภาษาจีนว่าเฮงแต่พูดก็พูดเถอะโบสถ์หลังนี้เก่าแก่และทรุดโทรมมากต้องสร้างใหม่แล้วล่ะหลวงนาะท่านเสนอว่าให้สร้างที่เดิมนั่นแหละถ้าไปสร้างที่อื่นจะไม่ถูกฉลองกันจะสร้างได้อย่างไรล่ะเจ๊การสร้างโบสถ์ขึ้นมาสักหลังใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆต้องใช้เงินตั้งหลายสิบหมืน อาตมาจะไปเอามาจากไหนชาวบ้านแถวนี้ก็ยากจนอาตมาไม่อยากรบกวนเขาประเดี๋ยวจะพากันเอาไปนินทาว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกอาตมาหนักใจจริงๆใจเย็นๆหนะ่าหลวงนาะสมัยที่วัดพรมบุรีหลวงนะ้ายังสร้างโบสถ์ได้ ถึงคนอื่นๆจะคิดว่าเป็นฝีมือของหลวงพ่อช่อก็เถอะแต่ฉันรู้ว่าความจริงเป็นฝีมือของหลวงนาะคนรู้จริงว่าโอ้โหถ้าจะให้ทําอย่างนั้นอีกอาตมาคงลำบากใจมากช่วงนั้นอาตมาหาความสุขไม่ได้เลยใจมันร้อนรนอยากจะให้โบสถ์เสร็จต้องเที่ยวเรียรย่ยไรหาเงินมาสร้าง เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัดไหนจะบริจาคเงินตัวเองเองีกคิดถึงตอนนั้นแล้วอาตมานึกท้อเท่าแก่คิดดูนะอาตมาเที่ยวเรี่อยไรยเขาไปตามท้องถิ่นต่างๆมีสภาพไม่ผิดกับขอทานบางครั้งก็ถูกญาตโยมพูดจาเสียดสีให้สะเทือนใจ พวกที่มีจิตใจเป็นกุศลก็พอจะพูดกันรู้เรื่องบ้างภิกษุวัย30สเศษเล่าถึงความยากลำบากแต่หนหลังครั้งที่สร้างโบสถ์วัดพรมบุรีลุงน้าคงจะต้องยอมเหนื่อยอีกสักครั้งแล้วล่ะครับเพราะถึงอย่างไรก็ต้องสร้างใหม่ใจเย็นๆค่อยๆคิดก็ได้ผมว่าลุงน้าเป็นคนมีบรารมีขนาดเป็นลูกวัด ยังหาเงินสร้างโบทได้ทั้งหลังพอเป็นสมภารผมว่าสร้างสิบหลังก็น่าจะได้สามีเจ๊เปียพูดให้กำลังใจแม้แค่หลังเดียวยังลำบากเลือดตาแทบกระเด็นถ้าสิบหลังอาตมาคงต้องไปเกิดใหม่เป็นแน่ เกิดเป็นคนนี่มันทุกนยมนะอุตส่าห์มาบวชก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะอย่างนี้แหละอาตมาถึงได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขออย่าให้ได้เกิดอีกเลยแต่ฉันก็อยากจะเกิดนะหลวงนะชีวิตสุขบ้างทุก์บ้างมันก็มีรสชาติดีขอให้เกิดแล้วดีขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันเช่นว่า ชาตินี้เกิดเป็นเมียเท่าแก่ร้านทองชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเมียเท่าแก่ร้านเพชรชาติหน้าลึกขายเพชรในเฮียนะหล่อนหันไปสับพยอกสามีโอไม่รู้หรอกคนเราเลือกเกิดได้เสที่ไหนเอลุงนะครับคนที่เป็นผัวเมียกันในชาตินี้ชาติหน้าจะได้เป็นผัวเมียกันอีกหรือเปล่าครับเท่าแก่ร้านทองถามท่านพระครู ก็ไม่แน่เสมอไปอาจเป็นหรืออาจไม่เป็นขึ้นอยู่กับว่ามีธรรมเสมอกันหรือเปล่าถ้ามีธรรมเสมอกันก็อาจจะได้อยู่ร่วมกันอีกหมายความว่าอย่างไรครับเท่าแก่วัยสี่สิบเศษไม่เข้าใจหมายความว่าถ้ามี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 สำคัญมากคือสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันยกตัวอย่างเช่นเจกเขามีศรัทธาอยากทำบุญเท่าแก่ก็ไม่ขัดข้องร่วมทำกับเขาด้วยเรียกว่าสมะศรัทธาสมะศีลาเช่นเจกเขามีศีลห้าครบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ จนไปถึงไม่ดื่มสุราแต่เท่าแก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ ด, ดื่มสุราเรียกว่าไม่มีศีลแม้แต่ข้อเดียวแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะศีลไม่เสมอกันแต่เฮียเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกจา่าหลงนะเขาเป็นคนดีมีศีลธรรม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 ทันเพียงแต่แย่ลงนาเล่นเท่านั้นเอาละฉันรบกวนเวลาหลวงนามานานแล้วเห็นจะต้องขอลาหลวงน้าอย่าลืมละ่ะถ้าจะสร้างโบทใหม่ขอให้สร้างที่เดิมแล้วฉันกับเท่าแก่จะมาช่วยตามกำลังศรัทธาจะบอกวุญไปยังญาติพี่น้องและมิตรสหายด้วยฉันลาละจ้ะคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงพากันกลับ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านพระครูก็สวดมนต์อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้มีคนมาช่วยสร้างโบสถ์เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีก็ยังไม่มีผู้ใดมาปวารณาตัวว่าจะช่วยสร้างเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังวลเพราะโบสถ์เก่าและชำรุดสุดโสมมากเกรงว่าวันหนึ่งจะพังครืนลงมา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 หรือเทพยดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ท่านทําเป็นไม่สนใจหลับตาแล้วนั่งภาวนาต่อไปครั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิก็ได้ยินเสียงเดิมพูดซ้าแบบเดิมอีกท่านยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นและเสียงนั้นก็กระซิบอยู่อย่างนั้นทว่าเว้นช่วงห่างประมาณยี่สิบนาทีต่อครั้งภิกษุไวสามสิบเศษนั่งภาวนาต่อไป จนกระทั่งรุ่งเช้าจากนั้นจึงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และเจ้ากำนายเวณสำหรับผู้ที่ต้องแผ่เมตตาให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้คือชายชราเจ้าของเสียงที่มากระซิบข้างหูท่านตั้งแต่ตีสี่เสร็จสิ้นกระบวนการปฏิบัติวิปัสสนาท่านจึงลงไปล้างหน้าแปลงฟันและส่งน้ำนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วเดินอย่างเร็วไปที่โบสถ์ เพื่อจะดูว่าพังจริงดังที่สิงห์ชายชรา ก, กระซิบบอกหรือไม่ท่านพระครูจะไปไหนแต่เช้าหลวงตาเฟื่องทักทายเมื่อเห็นสมภารเดินสวนทางมาจะไปดูโบสถ์ขาวว่าโบสถ์พังใครว่าผมเพิ่งเดินมาจากโบสถ์เดี๋ยวนี้เอง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 สมภารพูดตรงไปตรงมาแม้ท่านพระครูล่ะก็คนเรามันก็ต้องมีวันดีบ้างละ่ะบอกตามตรงว่าผมรู้สึกอายท่านพระครูเห็นท่านพระครูสร้างแต่คุณงามความดีทําให้ผมอายมากแล้วก็เลยมานั่งพิจารณาตัวเองอยากทําความดีบ้างจึงขอเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้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 คงเป็นเพราะผมเริ่มทำความดีนั่นแหละเลยพากันมาชื่นชมยินดีภิกษุวัยหกสเศษเห็นด้วยแต่เพื่อความแน่ใจเราเดินไปดูโบสถ์กันดีกว่าผมรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลท่านพระครูว่าและเดินนำผู้สูงวัยกว่าไปยังพระอุโบสถเมื่อไปถึงจึงยืนพิจารณาอยู่หน้าโบสถ์ มิได้เข้าไปข้างในทันใดนั้นก็มีเสียงลั่นปริ้ะเรี้ยเมื่อแงนหน้าดูก็พบว่าจันทันเชิงชายของโบสถด้านทิศตะวันออกหักและกำลังจะหลุดออกจากกันอย่าเพิ่งหลุดช้าก่อนช้าก่อนให้อาตมาไปขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันรือ้อจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ท่านพูดเหมือนต้องการบอกใครสักคนหลวงตาเฟื้องรู้สึกปลาดใจเมื่อเห็นจนันทันที่กำลังจะหลุดออกจากกันนั้นหยุดนิ่งราวกับมีใครมายั้งเอาไว้หลวงตาช่วยไปบอกพวกชาวบ้านใต้มาช่วยกันรื้อหน่อยส่วนผมจะไปขอแรงพวกชาวบ้านเหนือรีบไปรีบมานะท่านสั่งพระรูกวัด แล้วภิกษุสองรูปก็แยกกันไปรูปที่หนุ่มกว่าไปทางทิศเหนือรูปสูงอายุไปทางทิศใต้หนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกชาวบ้านก็มายืนออกกันที่หน้าโบสถ์พวกผู้ชายช่วยกันจัดการรื้อจันทรนที่กำลังจะหลุดออกจากกันแล้วเลยรื้อส่วนอื่นๆที่ทำท่าว่าจะพังลงมาส่วนพวกผู้หญิง ก็ไปช่วยแม่ทีหุงหาอาหารสู่กันกินเพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็หนึ่งวันเต็มเต็มตกเย็นการรื้อจันทันเชิงชายโบส์ก็เสร็จสิ้นลงคงเหลือแต่ตัวโบสถซึ่งยังไม่ได้รือ้อเพราะจะต้องใช้ในการทำสังฆกรรมท่านพระครูดูแล้วหลงความเห็นว่ายังมีความปลอดภัยและจะไม่พังลงมา แต่ภาระหนักหน่วงในขณะนี้คือการหาเงินมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ซึ่งเจเปียได้เสนอแนะว่าให้สร้างที่เดิมและท่านก็เห็นด้วยคืนนั้นท่านพระครูอธิษฐานจิตนานกว่าปกติเพราะถึงเวลาที่จะต้องสร้างโบสถ์ใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความกังวลทำให้ท่านนอนไม่หลับแม้จะพยายามกำหนด หลับหนอก็หาหลับไม่เวลาดึกสงัดเสียงชายชราก็ดังขึ้นที่ข้างหูไม่ต้องกลุ้มใจเดียวจะมีคนมาช่วยสร้างคนที่เขาเคยสร้างโบสถ์หลังนี้ไว้เมื่อครั้งอดีตตชาติเขาจะมาช่วยสร้างอีกเสียงนั้นดุดดังเสียงสวรรค์ที่พาเอาความวิตกกังวลออกไปจากจิตใจของท่าน เมื่อจิตใจสบายท่านก็นอนหลับสนิทและไปรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเวลาตีสี่เสียงกระซิบจากชายชารากลับกลายเป็นความจริงในอีกหกเดือนต่อมากล่าวคือได้มีขห บ, บดีมาขอเป็นเจ้าภาพกระถินถึงสามรายและมาพร้อมๆกันโดยมิได้นัดหมาย ผมชื่อทองหยอดนามสกุลชลาทรบ้านอยู่ลบบุรีมีชายชราไปเข้าฝันบอกให้มาทอดกระถินที่วัดนี้ครับนายทองหยอดกราบเรียนอีกสองรายมาจากจังหวัดพิจิตรและนครราชสีมาก็พูดอย่างเดียวกันในที่สุดก็เกิดความอลเวงขึ้นเพราะต่างก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพโดยอ้างว่าชายชราบอกตอนก่อนท่านพระครู จึงจำต้องเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ชายชรามาบอกว่าโบสถ์พังเมื่อปีที่แล้วและเรื่องจะมีคนมาช่วยสร้างเมื่อหกเดือนก่อนพร้อมกับสรุปว่าอาตมามั่นใจว่าโยมทั้งสเคยร่วมกันสร้างโบสถ์หลังนี้มาเมื่อครั้งอดีตตะชาติจึงอยากจะขอร้องให้มาช่วยกันสร้าง ในชาตินี้อีกเรื่องที่แย่งกันเป็นเจ้าภาพกระถินนั้นอาตมาก็ขอตัดสินว่าขอให้เป็นกรถินสามาคัคคีโยมทั้งสามมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันปัจจัยที่ได้จากการทอดกระถินจะนามาเป็นค่าก่อสร้างหากปีนี้ยังไม่เสร็จปีหน้าก็ทําอย่างนี้อีกครั้ง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 ข้าบดีทั้งสามจึงพากันนมัสการลาท่านสมภารกลับบ้านเรือนตนในวันทอดกะถินพระราชสิงห์ฮาวารมุนีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้มาเป็นประธานในการทอดก่อนเดินทางกลับท่านให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพาไปดูโบสถ์และลงความเห็นว่าทรุดโทรมมากจำเป็นที่จะต้องสร้างใหม่กระผมตั้งใจว่าจะสร้างที่เดิมขอรับมีคนจีนเขาแนะนำว่าถ้าไปสร้างที่อื่นจะไม่ถูกฉลกกัน ท่านหมายถึงเจเปียผมก็เห็นด้วยรื้อของเก่าแล้วสร้างของใหม่แทนที่แต่ท่านพระครูต้องไม่ลืมว่าการรื้อถอนของเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนั้นจะต้องบอกเล่าเก้าสิบให้คนสร้างเขารับรู้ จึงขอให้ทําพิธีบวงสวงสังเวยดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นเป็นการบอกกล่าวและขออนุญาตเข้าไปในตัวขอรับกระผมจะทําให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมแต่โบราณการทุก ป, ประการท่านพระครูน้อมรับด้วยความเต็มใจ กลางคืนพวกชาวบ้านประมาณสิบกว่าคนได้มาที่วัดและให้ข้อเสนอแนะแก่ท่านพระครูเกี่ยวกับการทำพิธีบวงสวงว่าจะต้องตั้งศาลเพียงตาเครื่องบวงสวงสังเวยจะต้องมีเล้าสองไหหัวหมูหนึ่งหัวไก่สองตัวเหล้าไม่โขงสองขวดและต้องทำบายสีด้วยท่านพระครูรับฟังหากก็รู้สึกหนักใจ ที่จะต้องมีสุรายาเมาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านเป็นคนเกลียดเหล้ามาแต่ไหนแต่ไรจึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการบวงสวงด้วยสิ่งที่ทำให้มึนเมาขาดสติโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานบุญยญยจึงต้องมีสุรายาเมาอันเป็นต้นเหตุของการทำบาปพวกที่แนะนำก็ช่างบอกมาได้ว่าต้องมีเหล้าสองไหแม่โข้งสองขวด นี่จะกินทั้งเหล้าเถื่อนและเหล้ารัฐบาลเชียวหรือคำแนะนำของชาวบ้านทำให้ท่านพระครูถึงกับนอนไม่หลับอีกวาระหนึ่งท่านนอนพลิกไปพลิกมากำหนดนอนหนอก็แล้วอยากหลับหนอก็แล้วก็ยังไม่สามารถหลับลงได้ ในที่สุดท่านก็คิดถึงชายชราที่เคยมากระซิบข้างหูพลันเสียงที่ท่านคุ้นเคยก็ดังขึ้นไม่ต้องมีเหล้าไม่ต้องมีสาโทหัวหมูไก่บายสีไม่ต้องมีทั้งนั้นอย่าไปเชื่อพวกที่แนะนำเขาหาเรื่องกินเหล้ากันต่างหาก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 มนุษย์ก็ประเสริฐกว่าเทวดาแต่มนุษย์ประเภทนี้หายากจึงกล่าวได้ว่าโดยส่วนรวมแล้วเทวดาประเสริฐกว่ามนุษย์ส่วนมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเทวดานั้นมีน้อยบุคคลใดมีฮิริโอตปะเรียกว่ามนุษย์สะเทโวคือมนุษย์เทวดา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 ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วเอาละทีนี้เรามากำหนดวันทําพิธีบวงสวงกันดีกว่าอาตมาว่าวันที่11พฤศ จ, จิกายนน่าจะเหมาะพอบวงสวงเสร็จก็เกณฑ์ชาวบ้านมารื้กันเลยโยมจะเห็นด้วยไหมแล้วแต่ท่านพระครูเธอครับผมนังไม่ขัดข้อง